50 languages. 99. n e t y n i n e n a แสดงความเป็นเจ้าของ My. Cat of my boyfriend. My friend Billy. Sutan of my b o y f r i e n มีเรดดศตดุตตของเล่นของลูกดิฉันเรบชานเด็กขลุ่นนี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉันเอ๋มีเรดเกูนั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉันอ๋มีเรดมีดิ๊กกั นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉันเอมเม่ไดเซกเกร์มิดะกกัมเหรอฮะกระดุมของเสื้อหายไปกัมีิสดอะบัตเทนตุตเยาะเหวยฮะกุญแจโรงรถหายไปแกีรจดิชาบปิ้กูมเหอยฮะคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย สาบดาคอมพิวเตอร์แครับอย่าเหรอใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงอิสบัตชีเดะมาบับคนฮานดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไรแม่อุสดะมาพยาเด็กค่ะกี่เมื่อจาบ้านอยู่ตรงสุดถนนค่ะกลิดนเนเวชเห เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไรสวิตเซอร์แลนด์รดัฐบาลเคดีเหหนังสือชื่ออะไรอิสกตาบดา้านนากี่ลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไรกวาดเด็กๆบ้านเดนามกี่ยโรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหร่ บัตรเยียดคุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมงดเวต์คเวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไรอัจยการกนดา